สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในสุภาษิตบทที่26ข้อ17จนถึงข้อที่21ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าสุภาษิต26 17บถึง21บุคคลที่เข้ายุ่งในการทะเลาะวิวาทซึ่งไม่ใช่เรื่องของเขาเองก็เหมือนคนจับหูสุนัขตัวที่กำลังผ่านไป คนที่ล่อลวงเพื่อนบ้านของเขาและกล่าวว่าข้าล้อเล่นเท่านั้นเองก็เหมือนกับคนบ้าที่โยนดุนไฟลูกธนูและความตายออกไปเพราะขาดฟืนไฟก็ดับและที่ไหนที่ไม่มีคนซุบซิบการทะเลาะวิวาทก็หมดไปทานเป็นเชื้อเพลิงและฟืนเป็นเชื้อไฟฉันใดคนที่มักทะเลาะวิวาทก็เป็นเชื้อการวิวาทฉันนั้น พี่น้องครับเช้าวันนี้พระกมพีสอนเรื่องเกี่ยวกับการทะเลวิวาทหรือการทะเลบอะแหวง้งการทะเลวิวาทการทะเลบาะแหวง้งเกิดจากการที่คนสองคนนั้นมีความเย่อหยิ่งและที่สำคัญการทะเลวิวาทมันไม่จบเพราะว่ามีการนินทามีการซุบซิบพี่น้องครับพระกมพีได้บอกว่าเวลาที่คนเรานั้นจะ ทะเลาะวิวาดกันเขาจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาถูกในขณะเดียวกันเขาก็ต้องมองอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาผิดดังนั้นเองเมื่อความเย่อหยิ่งหรือความรู้สึกว่าตัวเองถูกเกิดขึ้นก็จะนำมาซึ่งการทะเลาะวิวาดในขณะเดียวกันครับบุคคลที่สามบุคคลที่4ี่บุคคลที่หหรือไทมุงหรือคนที่อยู่รอบข้างนั้น จะทำให้การทะเลาะเบาแว้กกันทะเลาะวิวาทได้อยู่อย่างยาวนาน น, นก็คือว่าพวกเขาก็จะใช้วิธีการซุบซิบกันดังนั้นเองเราจะรู้ว่าการที่จะทำให้การทะเลาะวิวาดนั้นจบได้อย่างรวดเร็วก็คือบุคคลที่ 3-4-5 ห้านั้นจะต้องหยุดนินทาหยุดซุบซิบกันและจะต้องไม่พูดโกหกในการที่เราจะเข้ามาถึงการ แก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทครับเพิ่มผีได้พูดชัดครับว่าสามประเด็นของการทะเลาะวิวาทในข้อ20 2 1ีนะครับและถอยไปดูในข้อที่17ก็จะเรื่องรู้ว่าเรื่องของการทะเลาะวิวาทนั้นเป็นยังไงบ้างและความเย่อหยิ่งก็ปรากฏอยู่ในข้อที่18และส9าสาเหตุของการทะเลาะวิวาทนั้นเกิดจากความเย่อหยิ่งการเชื่อมั่นในตัวเอง เรื่องต่อไปก็คือการที่ซุบซิปนินทาก็ทำให้ขยายเวลายืดเวลาของการทะเลาะวิวาดและสุดท้ายคือการโกหกการโกหกการโกหกทำให้การทะเลาะวิวาทขยายตัวออกไปและทำให้นำไปถึงความวิบัติหายนะทาให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้และนามาซึ่งการความตายพระกมพีได้ใช้ภาพเปรียบเทียบ ก็คือคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเทววิวาทซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของเขาพูดง่ายง่ายก็คือว่าเขาไม่ใช่เป็นคู่กรณีเขาเป็นบุคคลที่3คนที่เข้าไปยุ่งนะครับบุคคลที่3าที่เข้าไปยุ่งนั้นก็เหมือนกับคนจับหูชุนักตัวที่กําลังจะผ่านไปเพราะว่าในที่สุดแล้วชุนักอาจจะกลับมากัดได้พี่น้องครับคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอย่าเกี่ยวครับอย่าเข้ามายุ่งนะครับ อย่าเข้ามายุ่งกับการทะเลาะวิวาทเพราะว่าเขากำลังสร้างปัญหาให้กับตัวเองโดยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางจริงๆไม่ได้เป็นคู่กรณีจริงๆและเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะยืนอยู่ในความเรียกว่ากลางได้ครับใครก็ตามที่ชอบยุ่งเกี่ยวในความขัดแย้งในการทะเลาะวิวาสยังไม่จำเป็นตัวเขาแน่ใจเลยครับว่าเขาจะต้องบาดเจ็บแน่นอนครับบางทีนะครับ คำว่าสุนัขเนี่ยไม่ใช่คนภายนอกครับสุนัข ก, ก็คือคู่กรณีนะครับคู่กรณีที่ขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปจับหูของสุนัขที่เราอาจจะรู้จักนะครับแต่เขากําลังทะเลาะกันอยู่ครับดังนั้นเองเราจึงไม่ควรครับไม่ควรที่จะนําภัยเข้ามาหาตัววิธีแก้วิธีแก้การที่เราจะดูแลพี่น้องที่เขากําลังทะเลาะวิวาสกัน ก็คือจะต้องหยุดซุบซิบนินทานะครับอันนี้พบในข้อที่ยี่สิบยี่สิบเอครับพระกิมีกกำลังเชื่อมโยงไฟกับการทะเลาะวิวาสเข้าด้วยกันและพระพิมพ์บอกว่าเมื่อไม่มีคนซุบซิบนินทาการทะเลาะวิวาทก็จะหมดไปเหมือนกับไฟที่มันจะดับเมื่อเอาเชื้อเพลิงออกไปพี่น้องครับนั่นหมายความว่าเวลาที่คนเราทะเลาะวิวาทกันนะครับเขาก็จะ พูดใส่กันเขาก็จะแสดงความคิดเห็นใส่กันเขาก็จะแสดงอารมณ์ใส่กันแต่เมื่อถึงจุดจุดนึงมันหมดครับมันเหมือนไฟที่ดับเพราะฉะนั้นเราเองซึ่งเป็นผู้บุคคลที่3 4มี่หเราผู้ซึ่งเป็นพี่น้องด้วยกันเราจะต้องไม่ชุบซิบต่อไปมันก็เหมือนกับไฟนี้มันจะดับครับดับเมื่อเอาเชื้อเพลิงออกไปที่นี่มีความหมายว่าเชื้อเพลิงนั้นคือการชุบซิบนะครับ พี่น้องครับในทางกลับกันครับการโต้เถียงกันก็จะนําไปสู่การทะเละวิวาทการโต้เถียงกันก็เป็นเชื้อครับทําให้มันร้อนขึ้นการโต้เถียงกันหรือการซุบซิบนินทาการที่จะพยายามแบ่งข้างแบ่งพักแบ่งพวกก็จะเป็นเชื้อทําให้ร้อนขึ้นทําให้เหตุการณ์ต่างๆนั้นมั่นบานปลายอันนี้คือสิ่งที่พระคมภีร์ได้สอนไว้ครับเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ผมอยากจะสรุปนิดเดียวนะครับก็คือ ประการแรกครับเวลาที่เรามีการทะเลาะวิวาทกันนั้นก็ขอพระเจ้าได้ทรงช่วยนะครับบุคคลที่3 4มหต้องหยุดครับจะ ต, ต้องไม่ขยายผลของการทะเลาะวิวาทเพื่อที่จะไม่ให้บานปลายด้วยการซุบซิบนินทาด้วยการพยายามที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวครับอันนี้เป็นประการแรกประการที่2ก็คือว่าบุคคลที่3 4มหนั้นจะต้องระมัดระวังตัวนะครับ อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ขอให้อธิษฐานเผื่อครับเมื่อเราอธิษฐานเผื่อคู่กรณีคู่ขัดแยง้งเมื่อเขาได้คุยกันเมื่อเขาได้โต้เถียงกันโต้แย้งกันเมื่อเขาได้ระบายอารมณ์เหตุผลเข้าใส่กันมีวันหนึ่งครับการวิวาทหรือการทะเลาะกันก็จะจบเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องอ้าแขนรับคู่กรณีทั้งสองในฐานะที่เราเป็นบุคคลที่3 4มหพี่น้องครับ นี่คือเรื่องที่พระมุทีได้สอนไว้เวลาที่เกิดความขัดแย้งจนนำไปถึงการทะเลาะวิวาสนะครับเราจะต้องหยุดบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกรุณาถอยออกไปในขณะนอธิกันครับเราจะต้องไม่ซุบซิบนินทานี่คือสองประเด็นสำคัญในเช้าวันนี้อีกประเด็นหนึ่งครับที่สำคัญก็คือในข้อ 18-19 เราจะเห็นคนสองคนที่พระคำภีร์ได้กล่าวถึงครับข้อ1ิ8 9ได้กล่าวว่าคนที่ล่อลวงเพื่อนบ้านของเขาและกล่าวว่าฆ่าล้อเล่นเท่านั้นเองก็เหมือนกับคนบ้าที่โยนดุนไฟลูกธนูและความตายออกไปพี่น้องตรงนี้เราจะเห็นคน2คนครับคนแรกก็คือคนบ้าปรากฏอยู่ในข้อที่19คนบ้าที่โยนดุนไฟลูกธนูและความตายมีนักวิชาการก็บอกว่าคนบ้าคนเนี้ยนะครับ เป็นเป็นทหารครับเป็นนักรบเป็นนักรบที่สามารถที่จะยิงธนูได้เป็นนักรบที่สามารถที่จะโยนดุ่นไฟนะครับดุ่นไฟในสมัยก่อนก็น่าจะเปรียบเทียบได้กับโยนระเบิดในสมัยนี้เพราะนั้นคนที่จะโยนระเบิดได้คนที่จะยิงปืนยิงธนูได้นะครับก็จะนำความตายออกไปอันนี้ก็คือเป็นนักรบที่บ้าละหำเป็นนักรบที่บ้าบินหรือเป็นนักรบที่เสียสติ พี่น้องครับเราลองจินต น, นาการว่านักรบที่บ้าบินนักรบที่เสียสตินักรบบ้านะครับก็นําความตายออกไปพระกัมพีกําลังเปรียบเทียบครับกับอีกคนหนึ่งก็คือคนที่ล่อลวงเพื่อนบ้านและพูดว่าตัวเองล้อเล่นคนนี้แหละครับเป็นคนที่นําความเสียหายมากกว่าคนแรกครับเพราะว่าคนแรกนั้นโยนดุนไฟโยนระเบิดยิงธนูยิ ง, ยงปืนนะครับแล้วก็ นำความตายไปถึงคนอื่นแต่คนที่ล่อลวงเพื่อนบ้านและพูดว่าค่าพระเจ้าหรือฉันล้อเล่นนั่นเขาทำอย่างตั้งใจและแก้ตัวทีหลังอันนี้คือสิ่งที่เป็นความเลวสามต่ำช้าครับพี่นั่งครับคนสองคนที่พูดถึงในข้อ 18-19 นี้คล้ายกันในแง่ที่ว่าพวกเขาก่อความเสียหายก่อความเสียหายในที่ใดก็ตามที่พวกเขาไป แต่ความแตกต่างระหว่างคนสองคนนี้ก็คือว่าคนแรกก็คือนักรบที่บ้าบินนะครับนักรบที่เสียสติก็ก่อความเสียหายโดยไม่มีเจตนาร้ายครับเพราะว่าเขาบ้าก็มีคนบ้านะครับแต่ว่าคนที่สองครับเขาก่อความเสียหายโดยมีเจตนาร้ายโดยคิดไตรตรองมาก่อนโดยความจงใจประเด็นที่สําคัญก็คือเปรียบเทียบว่า พระคัมภีร์กำลังเปรียบเทียบว่าผู้ที่กระทํานะครับความหายยนตให้กับคนอื่นๆและเขามีความจงใจความประสงค์ร้ายก็เลวร้ายนะครับเลวร้ายสาหัสชั่วกว่านักรบที่บ้าบินเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเขาแก้ตัวครับเขาปิดบังแรงจูงใจที่แท้จริงของเขาเขาหลอกลวงโดยการที่แก้ตัวว่าฉันล้อเล่นฉันล้อเล่น พี่น้องครับคนเหล่านี้เราก็จะพบอยู่นะครับก็ขอให้เราระมัดระวังพระกัมภีกำลังเตือนเรานะครับขอพระเจ้าช่วยเราให้เรามีสติปัญญาในการที่เราจ ะ, ะดีลกับคนต่างๆเหล่านี้ที่เราพบในชีวิตประจำวันของเราอามน